ท้งเอกชนราชการสื่อสารมวลชนต้องแนวแน่ทำงานเพื่อจุดหมายเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆขึ้นมาสื่อทั้งหลายก็ประโคมข่าวกันไปจนกระทั่งญาติโยมบางท่านบางทีก็ไปสงสัยพวกสื่อเที่ยวระแวงไปว่าหนังสือพิมพ์พวกนี้หรือสื่อเหล่านี้จะมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า มีแผนการไม่ดีหรือเปล่าเราต้องมองเป็นกลางเขาอาจจะดีก็ได้เรายังไม่รู้ชัดว่าเป็นอย่างไรแต่เราอย่าไปมองด้านเดียวอย่าไปมองแต่แง่ร้า ย, ายว่าเขาจะหาช่องทําลายอย่างเดียวต้องมีแง่คิดที่ว่า 1. ถ้าเขาหาช่องทําลายเราต้องทันไว้และหาทางแก้ไข2 สิ่งไม่ดีของเราต้องแก้ไขด้วยจะเพโทษแต่ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ถ้าเราไม่เสียเขาก็ไม่มีที่ซ้ำใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเสียเขาก็ซ้ำสิเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตัวเราด้วยถ้าจะไม่ประมาทจริงๆต้องมองให้ครบทั้งสองอย่างพร้อมกันนั้นทางด้านสื่อเองถึงจะไม่มีเจตนาร้ายอะไร ก็ควรสืบหาข้อมูลให้ความรู้แก่ประชาชนในทางที่จะเป็นไปเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของสังคมประเทศชาติด้วยอย่างเรื่องพระแก่ทำไม่ดีจะลงข่าวก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของตัวคนและท้องถิ่นนั้นด้วยเป็นตน้นก็จะไม่ต้องมาเคลือบแคลงกันและจะกลายเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาในขณะที่ภัยต่างๆมีมากมายไปทั่วหมดนี้ ปัญหาบางอย่างก็เกี่ยวกับบ้านเมืองด้วยบางทีก็เป็นเพราะทางบ้านเมืองไม่เอาจริงอย่างเรื่องหมูบ้านปลอมบวชในจังหวัดชัยภูมิที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาหลายปีคงเกินศตวรรษแล้วพอถึงฤดูแลง้งทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็โกลนหัวผู้หญิงนุ่งห่มขาวยังแม่ชีผู้ชายแต่งเป็นพระเดินทางเข้ากรุงมีจุดกลางอยู่แห่งหนึ่งเวลาเช้าเอาขึ้นรถไปปล่อยลงในที่ต่าง ที่แต่งเป็นพระก็ไปบินธบาตที่แต่งเป็นแม่ชีก็ไปแจกซองหรือไปตั้งทางพระป่าอะไรต่างๆเที่ยวหาเงินกันพอหมดแรงจะเข้าหน้าฝนก็กลับไปถึงหมู่บ้านก็เอาจีวร อ, ออกตากตามนอกชาญเมื่อคนไปพบเข้าก็สงสัยว่าทำไมหมู่บ้านนี้จีวรมากมายไปหมดปรากฏว่าเป็นพวกปลอมบวชหมดหน้างาน กลับไปเอาจีวรซักแล้วตากไว้พอถึงปีใหม่หน้าแรงก็เข้ามาอีกเป็นมาทุกปีเรื่องนี้ถ้าบ้านเมืองเอาจริงทำไมจะแก้ไขไม่ได้แต่ก็ปล่อยให้ทำกันมาทุกปีชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้ปล่อยกันไปปล่อยกันมาศา ส, สนาก็เสื่อมเรื่องหลายอย่างที่เกิดขึ้นและยืดเยื้ออยู่นี้เป็นเพราะความไม่เอาจริง อย่างตำรวจบางทีก็บอกว่าพวกพระบ้างชีบ้างที่มาเรียรายารทำผิดกฎหมายก็จับไปปรับแต่ปรับแล้วเขาก็กลับมาทำต่อเพราะอะไรเพราะเงินที่เขาได้มากกว่าที่ถูกปรับไปปรับไม่เท่าไรหาเดียวเดียวก็คุม้มเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางแก้ไขถ้าบ้านเมืองเจ้าหน้าที่จะแก้ไขจริงๆริงก็ต้องมีเป้าหมายว่า เราจะทำเรื่องนี้เพื่อเห็นแก่พระศาสนาและเพื่อเห็นแก่สังคมมุ่งมันเอาให้มันจริงจังแน่นอนลงไปก็ต้องสาเร็จแต่เพราะความที่ทำกันสักแต่ว่าทำอย่างนี้ปัญหาพระศาสนาจึงค้างคาไม่รู้จักจบ